ถ้าว่าไปเกิดเป็นสัตว์ที่ได้ฉานหมูหมากาไก่ช้างม้าวัวควายอาหารของสัตว์เหล่านั้นเขาก็เป็นอาหารของเขาถ้าไปเกิดเป็นเทวดาอินพรหมเขาก็มีสู่ไว้บุญของเขาไม่ได้รับแต่เมื่อเราทำบุญไปแล้วท่านเหล่านั้นไม่ได้รับบุญกุศลก็กลับมาหาผู้กระทาเหมือนกับเราส่งของไปชนีไปชนีปลายทางไม่มีใครรับ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 จากนั้นวิญญาณเปรตเหล่านั้นก็เขาก็ได้รับส่วนกุศลจากพระเจ้าพิมพิสาร ใ, ในวันรุ่งขึ้นในคืนในวันอีกแต่ดูแล้วเีเปรตเหล่านั้นอ้อนทวนสมบูรณ์แต่ไม่มีเสื้อผ้าจากนั้นเห็นจังเห็นอีกอยู่พระเจ้าพิมพิสานก็เกลยมากราบพระพุทธเจ้าอีกพระพุทธองค์ก็บอกว่าพระองค์ได้ประทานแต่อาหารไม่ได้ประทาน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 ตอนนี้พอมาโปรดพระบิดาที่เวียงวังพระบิดาก็ทํากําแพงร้อมรอบวัดกับวังอยู่ในที่เดียวกันทําให้กว้างเลยล้อมรอบประชาชนไม่มีใครได้ทําบุญด้วยเพราะพระพุทธเจ้านะั่นเป็นลูกชายของพระเจ้าแผ่นดินเป็นลูกชายเพราะฉะนั้นท่านจึงถือว่าพระพุทธเจ้าถ้าทำพระสงค์เป็นของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะต้องทําบุญ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 ไม่ให้ใจของเราคิดไปในอนาคตให้จิตใจของเราผู้รู้ของเราอยู่ที่ปลายจมูกให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ที่ปลายจมูกให้รู้ว่าลมเข้ารู้ว่ารมเข้าลมออกรู้ว่า ล, ม, าลมออ ก, ออกนี่แหละให้จิตใจอยู่จุดนั้นในเมื่อเราจิตใจของเราอยู่จุดนั้นใจของเราจะรวมเข้าสู่ความสงบรวมเป็นหนึ่งเพราะจิตใจของเราไม่กระสับกระส่าย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 ใจก็คือมโนคือตัวผู้รู้ตัวนึกคิดแต่เรื่องของกายนั่นแหละมันเป็นเหมือนกับรถแต่เรื่องของใจนั้นเหมือนกับคนขับรถเพราะนั้นรถกับคนขับรถไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันแต่ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านเน้นหนักเรื่องของใจมากกว่าเรื่องของกายใจในสมควรอย่างยิ่งจะต้องได้รับการอบรมจะต้องเอาศีลธรรมต้องเอาหลักเหตุผลเข้าไปบังคับ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 เดี๋ยวนี้เราหลงอะไรหลงกายใช่ไหมเพราะว่ากายที่ว่ากายนี่เป็นของเราใช่ไหมแต่ตามไม่จริงมันไม่ใช่นะใจนะอีกสักวันหนึ่งนะน่าจะต้องถึงจุดจบของมันพวกเราเคยเห็นไหมปู่ย่า ต, ตายายวงศาคนา ญ, ญาติจารยิตสหายของพวกเราล้มหายตายจากไปมากตัวมากแล้วพวกเราจะเป็นใครจะไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมไมันก็ไม่น่าจะเป็นเพราะนั้นพวกเราตัวของเรานะอย่าหลงนะ